ก่านมโนทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้นำเรื่องอุทยยชาดุกซึ่งเป็นการแสดงถึงการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ท่านางสิริมหานาังพิมพาริยโสธรา ก็มีหลักอะไรที่น่าสังเกตหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นการกล่าวถึงธรรมะเราจะพบว่าธรรมะนั้นสามารถจะมองได้หลายๆตอนแต่คนเข้าใจแล้วก็ไม่จำกันไม่จาเป็นจะต้องถกเถียงอะไรกัน ธรรมะที่เป็นตัวสภาวะซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตที่เราเรียกว่าเจตสิกธรรมเจนยตตัวอย่างเมตตาก็ดีความโกรธก็ดีก็เป็นสภาวะธรรมซึ่งมีความเป็นสากลหมายความมันจะเกิดขึ้นแก่นคนแก่สัตว์ก็ตามอาการมันก็คือกันแล้วความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อออกมาข้างนอกที่จริงก็เริ่มจากข้างในคือความคิด คือการเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอานาจความเมตตาความโกรธก็เป็นอาการที่ปรากฏแก่จิตของใครก็จะมีลักษณะเช่นเดยียวกันเพียงแต่ว่าความรุนแรงความเข้มข้นไม่เท่ากันเท่านั้นเองและพอออกมาข้างนอกก็เป็นอาการคือการทําการพูดมันก็ออกมาสองทางนะฮะคือการทําการพูดเท่านั้นเอง ส่วนใช้อุปกรณ์อะไรก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่ก็สืบเนื่องจากการทาการพูดแต่สืบจริงๆเนี่ยมันสืบมาจากความคิดแล้วเมื่อมีลักษณะเหล่านั้นต่อเนื่องมันก็กลายเป็นคนดีคนชั่วเป็นสัตว์ปรลุษเป็นพานเป็นอันตพ า, านเราจะเห็นว่ามันก็ดูที่อาการทำการพูดของเขาอย่างที่พู้เจ้าทรงแสดงสรุปลักษณะของบัณฑิตลักษณะคนพานเอาไว้ โดยสรุปก็คือคนผ่านนั้นได้แก่คนที่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วคนดีก็คือพูดดีคิดดีพูดดีทําดีเป็นอาการที่ปรากฏก็ทําให้คนเหล่านั้นเป็นคนดีคนชั่วเป็นผ่านเป็นบัณฑิตแต่ในในความเป็นคนชั่วเป็นคนดีเป็นผ่านเป็นบัณฑิตนั่นเองมันก็มีการเสบยผลให้ดูคือเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมเป็นความเจริญ เป็นการพลัดพรากสูญเสียเป็นความโมดมสมบูรณ์ในลาบยศชนเสริญสุขก็ก็เป็นอาการที่เราเห็น น, น, นะฮะเพราะวันเวลาจะสอนเนี่ยรเราเห็นว่าแนวฉดกก็คือสอนมาจากที่หยาบที่สุดเป็นอาการทาวรภาพฉดกเจอสะท้อนคนดีคนชั่วเนี่เป็นหลักเราทำนองคล้ายๆกันในวนิทยายหรือว่าวันนักดีเรื่องจักจักวงวง มันก็มีตัวดีตัวชั่วตัวริษยาตัวประสบปัญหาอะไรต่างๆก็ที่จริงแล้วก็คื อ, ค, อคือการสะท้อนธรรมะเป็นรูปกุศลหรืออกุศลนั่นเองแนวนี้ที่จริงเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายแต่พอดีมันยาวนะเรื่องมันยา ว, ยาวเราจะมาสรุปพูดเพียงเพียงหนึ่งชั่วโมงบางทีเนื้อหาต่างๆเนี่ย เอามาไม่ได้หมดแต่โดยเฉพาะอย่างพวกทศกัณฐ์นิบาตหรือคุธนิการยั่งไปใหญ่คือจะพูดไม่ได้เลยครั้งเดียวเนี่ยพราะเรื่องยาวมากแล้วก็มีสาระแก่้สารมากชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าอุทยาฉาดกฉาดกแปลว่าเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วเคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้ว เป็นความจริงที่ยืนยันได้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่บางอย่างก็ไกลเกินนะี่ะนะฮะไกลเกินที่จะหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้พระบูมพภาคเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่พระเชต ว, วันในกรุงสาวัติก็ปรารฏพิสูุรูปหนึ่งก็เกิดพอใจติดใจในเพศตรงกันข้าม เราดูพวกอัตถกถาพวกชาดกพวกนี้ก็ยังนึกเนี่ยฮะยังนึกขึมามันมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยภิกษุณีก็มีปัญหาอย่างเงี้ยพระก็มีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดเบือ่อหน่ายที่จะประพฤติพรหมจรรย์จะปรารถนาจะสึกไปเป็นกระวาศครอบครองบ้านเรือนส่วนมากแล้วจะอยู่ในโลกของความฝันพระเจ้าทรงทราบ รับสั่งสอบถามว่าเธอเกิดเบือ่อหน่ายในการประพฤติพรมจรรย์จริงเลยคือที่น่าน่ารักอย่างหนึ่งพระสมัยนั้นเนี่ยท่านผิดชอบช่วยดียังไงท่านรับหมดนะะไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันพระถามทาก้กงรับหมดนะอ่ะนยุคสมัยนั้นที่เราเห็นชัดมากคือสัจจะ ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ต า, ามเรื่องสัจจะนี่หนักแน่นมากๆจนถึงมติีขายอมสละชีวิตเพราะาอุดมการณ์ในยุคนั้นท่านจะเห็นว่าแนวสัจจะบารมีแนวสัตยาธิษฐานแนวสัจจะวาจาเนี่ยมติยอมตัวตายนะเราลองดูวรรณคดีพระพุทธศาสนาวรรณคดียุคนั้นก็ม า, มาย่วามายุก่อนพุทธกาลในยุคพุทธกาลจะเน้นที่สัจจะนี่มาก รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีก่อนพุทธกาลเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่วังขยายใหญ่ไปไหนแต่ละคนในเรื่องสัจจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพา ล, ลีไม่ว่าจะเป็นเ ท, าท้าทศรถอาจจะเป็นใครก็ตามนะฮะที่ที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นแล้วก็ตือเรื่องสัจจะใหญ่แล้วก็มีหลายรูปแบบ ในพุทธศาสนาเราตั้งแต่เรื่องพระเจ้าโอกาะกาการาชมาเรื่อยมาแต่ละคนเนี่ยจะเน้นในเรื่องสัจจะเพรคนเราต้งมีสัจจะแล้วปัญหามันน้อยไม่ต้องพูดอะไรกันมากท่านมีสัจจะความจริงหรือไม่จริงเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าท่านท่านเป็นคนรู้นะฮะมความมาท่านเป็นคนรู้อะไรเป็นอะไรแต่ท่านมีสัจจะในตัวท่านปัญหามันก็ลด กัรพิสูรรูปนั้นท่านก็กราบทูลตามความจริงแล้วก็กราบทูลถึงเหตุผลที่จิตใจมันแปรผันไปเช่นนั้นรับสั่งประโยคเ ห, เหมือนกันนะคล้ายๆกันทำไมเธอซึ่งบวชมาในธรรมบิดไนที่แส ด, แดงหลักการเพื่อออกไปจากความทุกข์จึงย้อนกลับไปสู่กองทุกข์หรือความคิดมันทวนกระนแสธรรม ไหลไปตามกระแสะโลกตํานวนอย่างอย่างนี้อย่างเออแม่ของสานุสามะเนร์ก็คิดจะศึกกันแม่บอกว่าลูกเนี่ยมันหลุดพ้นมาจากหลุมจากบ่อแล้วแม่ยกขึ้นพ้นจากหลุมจากบ่อแล้วทําไมจะกระโดดลงบ่ อ, อกยกมาจากหลุมฐานเพลิงทำไมลูกจะกระโดดงลงหลุมฐานเพลิง โปรดออกมาจากเท่ารัดรึงเท่ารัดรึงก็คงคงคงจองจานะลักษณะจองจาแต่ลูก่าย้อนกลับเข้าไปสู่เท่ารัดรึงเอา น, นั้นเองเลยจะเห็นว่าในแนวนี้ก็กระตุ้นว่าเธอดีอยู่แล้วอ่ะเธอดีอยู่แล้วเธอสงบอยู่แล้วเธอใกล้ต่อไปนี่ผ่านแล้วทำไมจะกะจะกระโดดลงไปสู่ความถูกในทรรมีในที่ เราแสดงไว้ดีแล้วแสดงัวออกจากทุกเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนได้ตรักะถึงสถานภาพของตัวเองที่สัมผัสอยู่ในขณะนั้นว่ามันดีแล้วดิ้นรนไปไหนแต่ดิ้นรนมันก็มีแต่ทุกข์แล้วก็ยิ่งห่างจากความสุขมากยิ่งขึ้นทีนี้ต้องการจะให้ดูตัวอย่างคนนะรัในลักษณะอินทรีย์สัม อินทรสังอรก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากมันก็รมองภาพ ร, รวมๆแบบสังสารวัฏทั้นหลายคงนึกออกว่าพระนางพิมพาเยีสธรากับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสร้างบารมีคู่กันมาตลอดเลยคิดทันกันนะฮะเลยคิดทันกันรู้ทันกันเข้าใจกัน ปัญหาบางอย่างคนยุคปัจจุบันสองพันกว่าปีแล้วนะอาจจะไหลายอาจจะห้า0ันปีเลยทำไว้นะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมพระเทสันดอนจึงให้ลูกให้กันหาชาลีให้นางมัทรีบริจาคเป็นฐานได้แต่เป็นเรื่องแปลกที่นางมัทรีทันเข้าใจชาลีเข้าใจกันหาเข้าใจแต่คนนอกไม่เข้าใจฮนั้นแสดงถึงพื้นฐานทางบารมี พอคนเราที่คิดการคิดร่วมกันได้เข้าใจกันได้มันอยู่ที่พื้นฐานพื้นฐานทางที่จึงทางความรู้ทางคุณธรรมนะฮะแต่ว่าตัวคุณธรรมนั้นจะเป็นตัวแกนเป็นตัวหลักคือบางครั้งเราไม่ไม่เข้าใจเหตุผลอย่างกัรหาจรีเองน ะ, ะเราลองตั้งใจว่าท่านไม่เข้าใจเหตุผลอนะแต่พ่ออธิบายให้ฟังว่าการไปเข้าถึงโมฆะธรรม พันรู้สัพพันญุตญาณเนี่ยพ่อจําเป็นต้องอาศัยลูกช่วยตรงนี้คือมันมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถสละได้ทั้งบุตรทั้งธิดาทั้งปัญญาเพราะถ้าลูกไม่ยอมให้พ่อสละตรงนี้พ่อก็ไปออนิพพานไม่ได้แล้วก็ช่วยลูกไม่ได้เพราะอยว่าเด็กนะะกันาจรีก็เด็กแต่อาศัยความเชื่อซึ่งจริงๆก็พื้นฐานทางบา ร, รมีท่านที่สร้างบา ร, รมีคู่กันมานะฮะ คือเราเราพบชาดกส่วนใหญ่แล้วนี่ท่านท่านจะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้เป็นการเน้นให้เห็นเรงการมาเป็นบรมีของพระโพธิสัตว์ประนางยาโสธราพิมพาเราสั่งเล่าถึงในดีตการนานมาแล้วพระเจ้าการสีสวยราชสมบัติในรุนธนะรุนธนะนครสุรุนธนะนคร เป็นคนที่อะไรล่ะองค์พระบิดาเองนะฮะองค์งพระมหากษัตริย์เองเจ้ากษีเองเนี่ยก็ไม่พระสนพระไทยในการแสวงหาความสุขจากการครองเรือนแม้จะมีพระสนมกำนันในจำนวนมากก็าตามเรากว่าไม่มีโอรสธิดามันก็มีปัญหาในด้านความเชื่อการสืบสันติวงศ์อะไรก็ในที่สุดก็ ไอ้ตามวิธีตั้งความปรารถนาเพื่อได้เป็นลูกองค์พระชินีได้ทรงประคันในประสูติราชรถออกมาองหนึ่งก็ลูกคนเดียวนะฮะมายสีเจ้ายะก็มีลูกคนเดียวประชาชนก็ชื่นชมยินดีก็ตั้งชื่อว่าอุทัยพัฒระที่แปลว่าดีงามเจริญนะฮะที่เราเอามาตั้งเป็นพัฒระมาร่านะ อุทัพัฒนอุท ย, ท ย, ทยก็คือเหมือนพระอาทิตย์อุทยนะฮะหมายความว่าพอเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยประชาชนมันสุขใจชื่นชมยินดีมีความหวงังะมีความบุกุลมาเกิดมาเ ป, เป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดอะไก็แล้วแต่จะแปลนะฮะก็แปลดีๆแล้วปรากฏว่าพระเทวีเหล่าอื่นไม่มีและในที่สุด มีพระเทวีอีกองหนึ่งก็ประสูติพระราชธิดาก็ได้ผู้หญิงคนชายคนก็ชื่ออุทัยพัทราเป็นอิทธิลิงนะก็ปวามหมายเหมือนกันพระราชกุมารกุ ม, มารีทั้งสองก็ได้ศึกษาแล้วเรียนจนสเบดวิชาการในยุคสมัยนั้นแต่ทั้งสองพระองค์นั้นไม่สนพระถัยเรื่องเพศ ก็ถึงเวลาแล้วจากครองราชสมบัติราชบิดาก็เสนอให้แต่งงานจะชายท่านก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะ่นะฮะก็ไม่รู้พ่อแม่เขาจะทำยังไงแกก็ให้สร้างรูปทองคําขึ้นมาอย่างดีก็เป็นทีว่ามันไม่มีผู้หญิงสวยขนาดนี้หรอกในโลกอนะ่ะบอกว่าถ้าสวยอย่างนี้จะแต่งงานด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะพระมหากัตริก็คิดอย่างนี้น เป็นความคิดในค่อนข้างแปลกาหาวิธีที่จะที่จะไม่แต่งงานนะฮะที่จะไม่แต่งงานก็เหมือนกับเหมือนกับนางนางวิสาขาก็เหมือนกันเลยนะฮะนางวิสาขาก็ก็ก็ไปสวยกว่ารูปทองคํารูปทองคําที่ที่นําไปเทียบเพราะในในสมัยพุทธกาลก็ก็มีความคิดแนวนี้ ปรากฏว่าเที่าวหาไปทุกคนทุกแห่ง ก, ก็ไม่เจอผู้หญิงสวยอย่างรูปทองคำแต่ปรากฏว่ารูปทองคำนั้นวางอยู่ในห้องพอพอน้องสาวต่างมานานะเข้ามากูไทยพัตราเข้ามานี่มันอับแสงไปเลยคือแสดงว่าสวยกว่ารูปทองคำพ่อแม่ก็บังคับให้แต่งงานกันนะฮนะก็เป็นการสัตว์คนละอะไรล่ะพ่อเดียวคนละแม่กัน ในสององค์นั้นมันไม่ไม่สนพระไทยท เ, ออเรื่องโลกเลยแต่วันถูกบังคับก็ก็แต่งกระแต่งไงนะฮะแต่ไม่เคยมองดูด้วยความโลภท่านใช้กับความโลภมันน่าจะเป็นรักค่ะแต่บาลีใช้ตรงนี้เขาใช้ความโลภเราถ้าไม่ได้เห็นว่ากิเลสประเภทรักคะบางทีเน้นไปทางเรื่องเพศแต่ท่านใช้โลภได้ ตัวลักษณะเป็นกิเลสประเภทปล่อยคว้าปรารถนาต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นชื่นชมกำนัดเพื่อเพลินยินดีแนวตัณหานะฮะตรตะราพินันดินีอ่าโปโนโปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อกันไปนันทิรังกาสกากตาจิตใจก็ผัวพันหมกมุ่นกำนัดเพื่อเพลินินดีในสิ่งเหตัวนั้นแล้วก็เพื่อเพลิพนยิ่งขึ้นก็ตกลงว่าอยู่ด้วยกัน ก็คือพี่น้องเหมือนเดิมนะนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีแม้แต่ความรู้สึกหรือความต้องการในทางเพศก็เป็นด้วยกันทั้งสององลักษณะ บ, บรารมีเหล่านี้เออเราก็เห็นคู่ของพระมหากรสปะกับพระนางนางพัธากาบิลานีอันนี้ก็เหมือนกันถูจับแต่งงานเหมือนกัน ก, ก, ก็เล่นเนี่ยเล่นรูปทองคําเหมือนกันแต่บนทธาบันเกิดมีขึ้นมานะก็ต้อไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงเขาก็ให้แต่งงานให้อยู่ด้วยกัน แล้วก็บงังคับไปอยู่ห้องเดียวกันพวกนี้ก็มีพวงมาไลัยมาวางขวางไว้ก็นอนต่างคนต่างก็นอนอันนี้เกี่ยวข้องพอพ่อแม่ตายมอบทรัพย์สมบัติให้ท่างก็สละทรัพย์สมบัติแล้วก็ออกปวดก็เป็นพระหันที่สําคัญทั้งคู่คือเราพูดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากบารมีเป็นเรื่องบารมีเป็นโลกทัศน์ของคนที่มีบารมี ไม่สามารถตัดสินโดยความรู้สึกนึกคิดสามาัญชนได้เอ๊ะทำไมต้องคิดอย่างงั้นทำไมต้องทำอย่างงั้นมันเป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของปัญญาที่มองเห็นอะไรครบทางทา ง, ง, งระบบมันท่านบอกว่าคนสมัยนั้นอยู่ตั้งเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยปีก็แสดงว่านานย้อนอดีตนานมากลักษณะของ ขออายุมากเนี่ยเคยเคยถกเถียงกันในเชิงวิชาการนะถกเถียงกันเมื่อสามสี่สามสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะถกเถียงกันมากเลยเลยมันเป็นไปนได้เหรอที่ว่าอายุคนมันมันจะมากในเมื่อโลกมันก็ขนาดเนี้ยก็เขาบอกว่ามันมันคล้ายๆกับลูกขังที่เราหมุนตอนแรกๆนะฮะมันจะหมุนเร็วเพราะาโลกเองเนี่ย มันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นว่าเมื่อแยกออกมาใหม่ๆก่อตัวขึ้นเป็นโลกใหม่ๆแล้วก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตมันก็หมุนเร็วกว่าปกติาการนับวันเวลานับวันนับเดือนนับปีมันก็นับไปตามนั้นพอเทียบกับปัจจุบันดูแลวแ้วคล้ายๆจะมากแต่บางเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดนะอย่าง พวกเขายอพดพวกพวกเบญจกีรีรอบรอบรอบก ร, รุงราชจะคือพระเจ้าเคยยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเดินเป็นหลายๆวันถึงขึ้นไปได้คูอแสดงว่าสูงมากนะใหญ่มากในในปัจจุบันในคนก็เดิน ไ, ไม่อไม่เท่าไหร่นะฮะสักสองชั่วโมงทุกวันชั่วโมงครึ่งก็อาจจะถึงแล้วนะถึงยอดแล้วพวกรัตนคีรีอะไรเนี่ยเวปูลบันพศรัตนกิรีก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งในตามไปก็ถึงแล นั้วก็แสดงว่ามันสึกกร่อ น, นะสึกร ก, สกรอก่กรอนก็เสื่อมลงก็เล็กลงแต่ไงก็ตามนะคือจุดนี้ท่านบอกว่าพระเจ้าอุทัยพัฒน์ซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยที่วงคตไปก่อนแล้วก็ไปอุบัติเป็นเท้าสกาดเทวราชไม่มีราชโอรติดาเพราะว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน พระนางอุทยัยพัะตาก็ต้องเป็นราชินีปกครองบ้านเมืองแทนแต่ก่อนที่จะที่วงคตเนี่ยสององค์ได้นัดหมายกันไว้ว่าข อ, เ, อาเกิดร่วมกันในในที่ทุกคนรกแข่งนะครับรง ล, ลักษณะการเกิดร่วมมันก่อนนี่มีนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีท่านแห่งท่าน มานั่งคุยกิเล่าถึงครอบครัวท่านเราก็ทึ่งครอบครัวนะครอบครัวบ้านนอกมากๆเนี่ยแต่ว่ามีลูกเป็นรัฐมนตรีทั้งสองคนแล้วก็ไปดีๆหมดเลยแปดคนลูกแปดคนดีๆดีหมดก็สอบถามดูว่าพ่อเขาเนี่ยบวชมาสิบสามพรรษาถือสัจจะ สัจจะอย่างยิ่งเลยผิดสัจจะนี่ไม่เอาเลยรับราชการเห็นมีกินนอกกินในลาออกเลยไม่เอาไม่เล่นด้วยแล้วแม่ก็มั่นคงในศีลทําบุญตักบาตรประจำตักบาตรเนี่ยประจำาพราลูกเมืองก็ปั้นขึ้นมาลูกเนี่ยเราก็นึกดูวย้นคนมันนอกมันนอกม า, มากนะกางทุ่งเลย แล้วก็มีผลงานดีเด่นในในในแต่ละสายลูกแต่ละคนเนี่ยนะมีผลงานเด่นในแต่ละสายและแกก็เล่าถึงการฝึกอบรมการสั่งสอนของพ่อกองแม่มันเป็นวิถีชีวิตที่ที่ที่แม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นฐานพ่อแม่มั่นคงในฐานในศีลในการเสียสละเป็นที่เคารพนับถือของของประชาชนมากในท้องถิ่นชนบทเนี่ย มันก็ทําให้เราเห็นหลักทิวเจ้าสงส่งแสดงว่ามันก็หลักหลักนั้นนะนะหลักที่ว่าคนเราเกิดร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องของปุเพกตะปุญญาตาเดี่ยวบุเพสันนิวาสอย่างหนึ่งนะฮะปุเพกตะปุญญาตาอย่างหนึ่งปุเพสันนิวาตไม่ได้หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายนะที่จริงเราเราเราไปคิดเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นอะไรก็ได้เราเคยทําบุญมาด้วยกัน บุญอยู่ระดับใกล้เคียงกันหรือสม่ำเสมอกันแต่ทตี่แต่ที่แน่นอนถ้าถ้าสม่ำเสมอกันการใกล้ชิดก็จะมากขึ้นก็ทรงแสดงหลักธรรมเป็นสีข้อศรัทธาสมามีศรัทธาเสมอกันศีลสมามีศีลเสมอการจะฆสมามีน้ำใจเสียสละเสมอกันปัญญาสมามีปัญญาเสมอกันจะทำให้คนเกิดร่วมกันแล้วมันก็เป็นฐานรับ ที่เราเรียกว่าบานเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดบ้านเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดมันก็ไปเรือนกายเรือนจิตหมายความคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันไม่มาเกิดอมันมาเกิดไม่ได้ ม, มาเกิดไม่ได้คนจะต้องมีศีลมีธรรมตามดนั้นเราเราจะเห็นว่าเอพ่อแม่บางคนทาไมมีลูกไม่ค่อยดีสาเหตุในช่วงจังหวะ น, นั้นน่ยจิตใจของพ่อแม่เองก็ไม่ดี มันเปิดโอกาสเหมือนกับสุขภาพเราไม่ดีโรคมันแทรกได้แต่ว่าถ้าสุขภาพเราดีโรคมันก็แทรกมาไม่ได้ในขณะบางขณะที่จิตใจเราผิดปกติไปแล้วพอดีไอสัตว์หัวแข็งมันมาถือปฏิสนธิตรงนั้นมันก็ไปนะฮะก็ได้ลูกที่ไม่ดีแต่ถ้าพ่อแม่มีฐานฐานที่ต่อเนื่องมันมันมันเหมือนกับพนังศิริมามายาเนี่ย ที่ท่เล่าไว้ในอัจฉริยะอภูต ธ, ธรรมสูตร19เรื่องนะฮะ19เรื่องทั้งหมดแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับพระนางก็คือว่าพระไทยนั้นไม่มีความรู้สึกทางเพศกับชายอื่นก่อนจะทรงประคันนะฮนะการใส่กิจแล้วพอทรงประคันปั๊บเนี่ยแม้แต่กับสามีไม่มีความรู้สึกทางเพศสแสดงหัาใจเยี่ยมมากนะฮะสูงมากเก แล้วก็สัตว์อื่นนี่เกิดไม่ได้ในคันของพระพุทธมารดานะมันสูงเกินสัตว์อื่นไม่สามารถจะเกิดได้ไม่มีวาสนาบารมีใกล้เคียงกันแล้วก็มองแล้วก็สดคล้องกันนะฮะสดคล้องกันแล้วท่านท่านผู้นี้เวลานี้ย็ขจะเรียกมาหาอีกคนนึงนะไปไหนก็เทศเรื่อยเทศเรื่อยไปอิสลามยังเทศนะฮะเทศเรื่อยแล้วก็ชอบพูดธรรมะชักชวนในแง่ธรรมะ นั้นแสดงถึงพื้นฐานการสอดคล้องกันของคำสอนที่พระเจ้าทรงแสดงและตัวอย่างบุคคลต่างๆ ต, ต, ตลอดถึงม า, ม า, มาจนถึงยุคปัจจุบันถ้ท่านเหล่านี้ก็เหมือนกันหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยท่านดีก็ไปบังเกิดเจาชายอุทยพัดพระเจ้าอุทยพัด์ก็ไปบังเกิดเป็นทาวส ก, กัป อุทัยพัตราก็อยู่ในวังแตตั้งตั้งความปรารถนากันไว้ว่าจะขอพบกันทุกสัาติเพราะว่านไอ้พื้นฐานของท่านท่านก็ปรับมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงกันทีนี้ทาศากาศเทวราชก็ต้องการจะทดลองว่าพระนางอุทัยพัตรานี่เมื่อ ภารยาที่วงคตไปแล้วนี่ยังมีจิตใจฝักไฝ่ถึงเรื่องเพศหรือชายอื่นหรือไม่นะถ้าก็มาโดยเพศของมานบหนุ่มรูปงามแล้วก็ถือผาชนะใส่ทองคําอย่างดีมาจำนวนมากนี่มาเสนอใหนะ้ก็เสนอตัวอยู่ร่วมกับนางไงนะฮะกระทำนองปูดเกี่ยวพาราณสีทดลองดูนะฮะทดลองดู พอใจมันจะมีความโลภไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยบางทีมันไม่มีตัวยั่วมันเราก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีมันก็ต้องมีการยั่วมีการยุยั่วยุยวยุนยัว ย, ยาว ย, ยั่วยแย่ยอะไรต่ออะไรเลยเขว่ า, าลักษณะเหล่านี้ก็ใช้ได้หลายอย่างยามเช้าในฟังโครงการแปลดินนําเป็นดินทองที่เขาจะประชุมในวันที่สองที่สามนะครั จริงๆเขาก็ในบนมาปรเดียมันก็ติดนัด่นแหละไปเกิดมาเคยเกิดตั้งข้อสังเกตแต่เขาก็ได้คิดกันนะเรื่องไปนิ่งทำไปนิ่นทองว่าเราจะเอทองก่อนหราจะเอาทำก่อนเวลานี้เราเน้นที่ทองมากเกินไปนะโดยเราทิ้งทำเพราะการนำตามาเข้ามากเกี่ยวข้องจริงจริงเราทิ้งตั้งแต่สามศูนย์จะเน้นไปเรื่องเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปเลยโดยไม่เน้นที่ทำ เอาทองนำทําตามในพังนะ่นะต้องให้ทําในนำแล้วทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยทําก็จะเป็นเรื่องของความสุจริตความถูกต้องความดีงามไปในสังคมเพ่น ว, วิธีนี้ท่านท่านจะเห็นว่ามันก็ใช้ทั้งสองตัวหมายความว่าเป็นผู้ชายรูปลอทัาากษะเนี่ยมาเป็นผู้ชายรูปลอก็เน้นไปทางราคา แต่ในขณะเดยียวกันทองนเน้นไปทางโลภะหมายความมีตัวยุอยู่สองตัวอ่อนไหวไหมอ่อนไหวทางรูปไหมแล้วอ่อนไหวท า, ท, าทางทางทางทรัพย์สินเงินทองไหมปรากฏว่าพระนางไม่ได้แสดงความยินดีและท่านก็สงสัยมาได้ยังไงวะนี่นี่นมันโผล่พรวดเข้าไปทล้ทถามมาได้ยังไงไในรั้วในวงังในมีคนป้องกันดูแลราาักษาหรือประการต่างๆ ท่านมาได้ยังไงรอดตาทหารมาได้ยังไงแต่าศ ก, กะก็บอกนะฮะบอกความเป็นหมาของท่านเระท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดาเร็แ่แล้วนางก็บอกว่าคือสมัครใจนางแล้วมันก็มีเฉพาะเจ้าพระเจ้าอุทัยพัน์สมัครผู้ชายอื่นแล้วจะไม่ยินดีแต่แม้เ้าพระเจ้าอุทัยพัฒนในขณะที่อยู่กันเนี่ย มันก็ไม่ได้มองกันด้วยความโลภมองกันด้วยความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะฮะมองกันอย่างนั้นทาสกะก็พยายามอธิบายพยาพยามพยายามหลอกโด้วยวิธีการต่างๆนะฮะแต่เห็นว่าท่านอย่างวันกงรุ่งเช้ามาใหม่แต่มาใหม่ก็ค่อนข้างเป็นปริศนาปรากฏว่าทองที่เอา ม, ามันลดฮะ ภาชนาใส่ก็เล็กลงจำนวนก็น้อยลงนะก็มาพูดในตำนานเดิมพระนางก็มายินดีแต่พระนางสงสัยเอ๊คุณเนี่ยเวลาเขาไปต่อรองไปซื้อของคนเนี่ยเมื่อเขามายอมขายมันน่าจะเพิ่มราคาเอ๊คุณมันลดราคามันลดราคาทองก็น้อยลงแกบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ย ผิวพรรณของผานางวัยของผานางเนะี่ยยังยังยังสาวกว่าวันนี้เวันเวลานี้มันก็แก่ลงนะผิวพรรณอะไรอะไรมันก็เสื่อมลงสุดโแสดงว่าก็ใกล้ความตายกันไปเพราะงั้นราคาลดอันนี้คบมากๆนะคบมากๆเลยเป็นความคิดมาอย่างอ่านเราสองทำเที่ยวนะอีคิดเก่งไงนะอีกคิดเก่งว่าจริงๆเนี่ยเราก็แก่ลงราคามันน่าจะลดนะนะมันมันมันมือนก็ของเก่าลง เป็นการสอนย้ำเตือนในแนวแต่รักนะฮะนีจ่จะสัญญาก็เป็นปริศนาเป็นปริศนาที่ชวนให้คิดในสุดพระานางก็คงไม่ยอมจยางนั้นเองไงนะฮะก็น ก, ก็ก็คุยกันด้วยครับเป็นมิตรสนสนมแล้วก็พูดถึงเรื่องเทวดาเอ่อทกะพูดออกมาประโยคหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยแก่ลงทุกขนะ เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะแล้วใกลต้ตายไปทุกขณะแต่ว่าไม่เหมือนกับเทวดาเทวดายิ่งยิ่งยิ่ง ส, สมบัติยิ่งทุกอย่างมันมั น, ม น, มนยิ่งเพิ่มขึ้นอย่านที่เคยบอกท่านหลายนานแล้วนะในเรื่องนางสาวมาวดีที่พูดถึงเทวดาจะจุติไปเหตุสีประการนะฮะสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารนะแล้วก็เกิดความโกรธมันจะมีบุพนิมิต มีดอกไม้ที่เพี่ยวมีเบื่อนานายในราชสมบัติมีผิวพันธุ์เกิดเศร้ามองแล้วก็เหงื่อออกจากตัวเทวดาเปรีวผู้ไม่มีเหงื่อนะไม่มีเหงื่อก็นางก็ถามลักษณะของเทวดาว่าเทวดาเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนมนุษย์จุติเหมือนกันแต่ไม่เหมือนมนุษย์ไม่แก่ไม่เจ็บ นะฮะไม่ป่วยอย่างยางแบบมนุษย์ก็ป่วยก็แก่แล้วที่สำคัญก็คือตายเนี่ยไม่ทิ้งซากนะตายก็คือตายเลยก็หายไปเลยทีนี้นางก็สอบถามถึงถึงเรื่องของของสภาพชีวิตสังคมของคนนะไอ้นี่ไอ้นี่แปลกว่ามันก็ตรงกันหมด เวลาคำตอบมันก็มีในพระไตรปิฎกในที่อื่นนะฮะมีในที่อื่นเป็นพระพุทธดํามรัสของพระพุทธเจ้าเองแต่ตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นคำกล่าวของเท้าสกะเทวราชก็คือเป็นพระดํารัตนของเท้าสกะเทวราชก็เป็นคำถามที่คมเลยก็ลอกมาเลยลอกมาดูว่าเฉพาะตรงนี้นะฮะมูชนเป็นรมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปเทวโลกนั้น หนทางไปยังเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้านข้าเต่เทวบุตรผู้มีอนุภาพมากก็าปเจ้าขอถามท่านบุคคลตั้งอยู่ในหนทางจึงไม่กลัวประโลกคือเราจะเห็นว่ามนุษย์เราลึกๆเนะี่ยฮะไม่มั่นใจในประโลกแม้จะปากแข็งบอกว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรัสด้ลึกๆมีนะฮะรลึกล ก, ล, กลัวนรก เหมือนกับผีนั่นแหละที่เราบอกว่าไม่มีนะฮะแต่จริงๆเรากลัวผีลึกๆอะทำเตะท่าไปอย่างนั้นเองฮะพออ้างว่ากลัวมืดมั่งกลัวนั่นมั่งกลัวนี่มั่งที่จริงกลัวผีฮะถ้าไม่หลอกตัวเองนะจะดูที่ใจตัวเองเห็นในะชั่ววูปลึกๆในมนุษย์กลัวผีกลัวไม่รู้อะไรคือสิ่งที่เราไม่เห็นฮนะเพราะในโลกในมนุษย์กลัว เพราะพราะในในความรู้สึกของคนที่มีบุญเนี่ยท่านบอกว่าที่จริงการตายเหมือนกับสมนวนบาลีางฟังยากนิดหน่อยท่านบอกว่าเหมือนการทำลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำาคือบมามาอม า, มาคิดว่า ม, ม, มันมันมันน่าจะเหมือนกับย้ายจากกระต๊อบไ ป, ปอยู่ปราศาสตมันที่จริงเป็นการย้ายเพื่อไปดีท่านเหล่านี้จึงจึงถึงไม่เดือดร้อนกับปราโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนคือไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อจะรีบไปเกิดเร็วๆอันนั้นไม่ใช่วิสัยกับัณฑิตนะฮะไม่ใช่วิสัยกับัณฑิตเพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปความคิดตรงนี้ที่ที่เคยพูดเรื่องพระเจ้าป ญ, ญาสิและนึนกออกเรื่องพระเจ้าป ญ, ญาสี ท, ที่ที่เถียงเรื่องนรกสวรรค์กับพระกุมารกัตตปะพระเจ้าป ญ, ญาสีบอกเอาท่าถ้า ถ้าถือว่าตัวเองมีบุญมีกุศลแล้วเนี่ยทำไมไม่รีบฆ่าตัวตายอย่าไปอยู่สวรรค์อยู่ทำไมโลกมนุษย์มันมั น, ม, นมันบัณฑิตเขาไม่ทำนะฮะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปเป็นลักษณะของโมงหะเป็นลักษณะของโทมนัสเป็นอะไรนะฮะมันมาเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของทุกข์เพราะฉะนั้นสังขารแตกดับก็คือแตกดับไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อะไร เดือดร้อนเพระการแตกดับแตกดับก็แตกดับแต่ท่านมั่นใจว่าเหมือนกับการเปลี่ยนภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองคำํำหรือเหมือนก็ยายจะกระต๊อบไปอยู่ที่ประสาททั้งการที่พนงังอุทัยพัตรากับทูลถามท้าวสกฤทวราชว่าที่คนกลัวประโลมมันเพราะอะไรกลัวจะตกนรกนะจริงๆ กลัวตายแล้วจะตกนรกกลัวการพรัดพรากสิ่งที่ผูกพันเยื่อใยเิน่หาอะไรในปัจจุบันแล้วไม่มั่นใจว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะตรงนี้จึงอยู่ในเรื่องวิจิกิิษาที่เราพูดถึงวิจิกิิษาสงสัยที่ประรบอดีตอนาคตปัจจุบันเราตายแล้วจะไปไหน จะไปเกิดที่ไหนจะมีสุขมีทุกอย่างไระอะไรแตไรเนี่ยนะเราเราเร า, เราจะจะไม่แน่ใจในตรงนี้ยันได้เคยเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่ตอบตอบซูเวียนี้มีตั้งแปดเล่มแล้วนะมันอยู่ในแวดวงตรงนี้โดยคนจะคล้องใจสงสัยกันในตรงนี้มากจนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮนะไปที่ไหนก็ก็ยังมีปัญหาในลักษณะนี้ แต่ถ้าเราย้อนอดีตลึกๆพระมกคัลานะเองเนี่ยตอบปัญหาในลักษณะนี้เยอะ เ, เจ้าเองก็ตอบปัญหาลักษณะนี้เยอะแสดงว่าคนรุ่ยุคทุสมัยเนี่ยสนใจสงสัยนะฮะไม่แน่ใจในเรื่องแบบนี้พระสกเทวราชได้อธิบายปัญหาประเด็นแรกว่าคนที่จะไม่กลัวต่อประโลกเนี่ย ท่านเคยนึกออกนะฮะ ท, ที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางนารกสังสารวันโดยสรุปว่าทุจริตกายวาจาใจเนี่ยเป็นทางไปสู่นรกอันนั้นพูดสรุปที่สุดเลยนะแล้วก็สุจริตาทางกายตวาราใจนั้นเป็นทางไปสวรรค์ทีนี้ถ้าพวกนี้มันมันมีความประนีตขึ้นเรื่อยๆนะฮะหมายความฝ่ายกิเลสก็แรงเพิ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฝ่ายธรรมะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันจะทําให้พบชาติลึกแล้วก็สูงนะต่ำลงไปเรื่อยๆจนนเวจีมารกสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพรภักขวบภมหรือกันนิตพบอะไรเนี่ยก็ที่จริงมั น, มนไม่ได้มีอะไรก็เป็นปริมาณของกิเลสที่ทําให้หนักคือต่ําลงไปปริมาณของธรรมะที่ทำให้เบาให้เราลองสังเกตว่าธรรมะที่เกิดภายในใจมันจะเบามันจะรู้สึกสละสลวยมันไ ม, ม, นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อะไรอะอะไรก็ อย่างว่าใครมาขอร้องอะไรช่วยเหลืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะต้องการจะไปที่ไหนที่ก็สามารถไปได้ที่พระเจ้าทรงแสดงชีวิตของพระสงฆ์เป็นภาพที่ที่ที่น่าปรารถนานะแต่ว่าเอาก็จริงมันเรากลายเป็นคนของสังคมเป็นคนที่จะต้องดูแลเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ ในงานประสาทศาสนาที่เกี่ยวข้องของสังคมทงใช้คำว่าอาการเสวะสกุลนานังกติเตสังรันวยาหมายความให้บินไปเหมือนกนับนกไม่ไม่ไม่ได้เกาะจับตัวไหนก็ไม่ทิ้งรอยนะฮะแล้วก็บินไปโดยไม่อายไลมีลักษณะเหมือนกนับนกไม่ต้องไปสนใจคติจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนก็ไปเป็นใช้ชีวิตแบบแบบนกไป บ, บินไปเรื่อย มันจะโปร่งมันจะเบามันมันจะไม่มีอะไรปูกผันมากเพราะงั้นปริยายธรรมะที่ส่งแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะแสดงโดยใครก็ตามในที่นี้ที่จริงอย่างที่บอกนะฮะว่ามันตรงกับในพระไตรปิฎกข้ออื่นในธรรมบทก็มีนะฮะในธรรมบทก็มีก็รับสั่งว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไวโดยชอบนี่คือฐานเลย นะตั้งวาจาและใจไวโดยชอบคือที่จริงก็ตั้งใจไวโดยชอบนะฮะตั้งใจไวโดยชอบอย่าที่ทรงแสดงไว้ว่าคนที่มีความดำริผิดเนี่ยคือใจมันตั้งมาผิดมันจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแต่กลับมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเพราะะนันคนประเภทนี้จะไม่มีทางป ร, ประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะคิดผิดแต่นั่นเองนะฮะคิดผิด หรือว่าโจรมาพบกับโจรคนที่เป็นศัตรูกันมาเจอกันได้จะทำอันตรายล่างพรานซึ่งกันและกันถึงอย่างนั้นก็เถอะจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยจะทำอันตรายคนได้มากกว่านั้นอย่างที่บอกไวต้ตะกี้ว่าคนอื่นทำอันตรายเราอย่างมากสุดสุดที่สุดหนึ่คือฆ่ายตายตอนนั้นเองไมมีทางทาอย่างอื่นได้แล้วฆ่าเราให้ตายเท่านั้น หรือข้าวยาติวงรงศาเราให้ตายเท่านั้นเองแล้วเราก็ตายตายแค่ชาติเดียวนะต่อไปเราก็เกิดต่อแล้วเราก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเราก็เกิดดีกว่าเานะครับเพราะเขาอย่างน้อยก็ฆ่าคนในตกนรกแน่นเราเราไม่ได้ฆ่าใครเราก็ไปบังเกิดดีแต่ว่าจิตเนี่ยจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยจะเป็นตัวสร้างปัญหาสารพัดให้แก่คนทายิ่งกว่าโจรทำกับโจรโคตศัตรูกู่ จงเวีนจงไัยทำให้แก่กันได้กันวพรันฐานหลักในที่นี้ท่านก็บอกว่าตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่ทำบาปด้วยกายเห็นไหมก็มางอยู่ในครองของกุศลกำาบดต ร, รงนี้เป็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมากคือเราไม่พยายามเข้าใจธรรมะเป็นระบบอย่างที่ล่าฟังตะกี้นะฮะ เราที่มาเคยบรรยายสรุปไปฟังที่กรุ่มวิชาการในกรุ่มคณาจารย์เดมาทําหลักสูตรพระวัสตร์นาหลับปรถมถึงระดับอัติจบเนี่ยแต่เวลากระทรวงท่านสงสัยท่านไม่เข้าใจเอามาการอธิบายฟังว่าอย่างเงี้ยคุณเรียเราอย่าไปติดใจมันสภาวัตความโลภอยู่เกิดที่จิตเป็นอย่างนี้เอาอาการเป็นการกระทําการพูดเป็นอย่างนี้แล้วกลายเป็นคนเป็นอย่างนี้แล้วก็ผลมันจะเป็นอย่างนี้มันจะต่อกันพูดตรงไหนก็ได้มันเหมือนกับเหมือนเหมือนกับตัดหวาย เราจะเห็นว่าหวายเราจะตัดจากปลายก็ได้สาวจากปลายไปได้ไปถึงโคนก็ได้แล้วตัดจากโคนสาวหมาปลายก็ได้จากปลายไปตรงกลางก็ได้จากตรงกลางหงาโคนก็ได้จงรงกลางหาปลายก็ได้มันไม่แปลกอะไรก็ไหวเส้นเดียวกันอันนี้คือคือคือคือการมองเห็นเป็นระบบแล้วเราเข้าใจธรรมะมันไม่ต้องติดใจธรรมะในภาคปริยัตินั้นมันจะหลากหลายในเชิงภาษาที่ใช้สื่อกับคนกลุ่มนั้นๆแต่ในเชิงเนื้อหามั น, ม, น, ม, นมันแบบปลูกพืชอนิว่า แล้วก็ปลูกพืชแล้วการประเดี๋ยวมังอกเองอะ่ะจริงใบงค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันงอกขึ้นมาเองใจเรื่อยเติบโตขึ้นมาเองสิ่งที่มันได้จากข้างนอกมันก็มีอากาศมีอาหารนะฮะมีอากาศมีอาหารท่านั้น น, น่องน้ําก็เกิดมาจากเนื้อในต้นไม้นั่นเองมันไม่ได้มาจากที่อื่นธรรมะเองมัจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นตั้งก็วางไว้ว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่ทําบาปด้วยกาย หมายความว่าอยู่ในกุศลกบฏก็ตรงกับหลักที่ที่ยกตัวอย่างไว้อยู่คลองเรือ น, นั้นมีข้าวและน้ํามากหมายความมาเป็นผู้ครอบครองเรือนฐานะทางเศรษฐกิจพอใช้ได้นะพออยู่ได้ทํำยังไงล่ะเราเป็นสุขในปัจจุบันได้สุขสมบัติทั้งหมด อ, อ, อะไรต่ออะไรในที่ดันใช้กันมาข้าน้ํามากเนี่ยหมายความฐานะทางเศรษฐกิจดี่เศรษฐกิจดีมันเป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นสมบัติของโลก ที่เรามาอาศัยโลกเหมือนเราใช้ของในโรงแรมเราก็ใช้ในขณะที่เราอยู่ในโรงแรมพอออกจากโรงแรมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะพระเจ้าก็แสดงประโยชน์โดยอีกระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าอนุคาแมนิเป็นสมบัติติดตัวอันนี้ ม, ม, นะมันสมบัติติดโลกนะมันจะสมบัติติดตัวท่านยังเรียกปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัย บาที่ท่านเรียกว่าทรัพย์แปลว่าให้ความปลื้มใจแต่ในขณะเดียกวกันลึกๆเนี่ยให้ความทุกข์นะฮะทรัพย์เราสังเกตดูให้ความทุกขลึกๆเนี่ยให้ความทุกข์แต่เรารู้สึกในการได้มาในการใช้สอยก็ปลื้มใจนะแต่ในการดูแลรักษาในการบริหารทรัพย์สมบัติเราก็มีความทุกข์มีปัญหาเยอะแยะและ้วท่านก็บอกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธา เอาบิชีชีวิตแตวชาวบ้านนะฮะเพรวพูดกับพนางอุทยภัตราซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ศรัทธาเนี่ยใจมันจะอ่อนโยนให้เราลองสังเกตนนะฮะว่าถ้าเราศรัทธาแล้วเนี่ยถ้าเราศรัทธาคนที่เรกราบอย่างเป็นจางกระบาดเลยปูผ้าอย่างดีกราบอย่างดีเลยนะครกราบซึ่งซึ่งเอาขี้ฝุ่นที่เทา้ทาท้าหัวด้วยนะนั่นคือกราบแบบอินเดีย คุณแสดงว่าศรัทธามากมากล้วภาพเหล่านี้ยเราไปเจอต่างจังหวัดนี่เจอคนบางคนที่เขาก็ เ, าเคยพบกระโดดเราเคยช่วยเหลือแะไเขาแล้วเขาก็ได้มีความเจริญก้าวหน้าเขาเห็นนะเขากราบไม่พอหรอกกราบเฉยๆนี่ไม่พอต้องลูบท้าเช็ดหัวด้วยนั้นมาเกิดจาอะไรใจมันอ่อนโยนยนศรัท ธ, ธานะกระดาษเอาเท้าไปแตะหัวเลยพอดีเอาเท้าไปแตะหัวเลยยกเท้าขึ้นเท้าอาจารย์นะ อาจารยบาทรปีตุบาทมาตุบาทเนี่ยเท้าพ่อท้าแม่เนี่ยยกขึ้นหัวเลยนั่นคือคือพลังจิตธาใจมันอ่อนนะใจมันน อ, อนโยนไม่มีมานะไม่มีกระด้างไม่มีอะไรเลยถ้าถ้าสมบับคนตอนนั้นเหมือนกับพี่จิ๋วให้หลวงพ่อคูณเขขัวเฉยเนั่นแะคือคือแกก็ศรัทธาแกนะอันนี้คือคือลักษณะสภาพจิตลักษณะจสภาพจิตก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําไงละ่ะ แจกแจกแบ่งนะการให้ทานการแจกแบ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าบริวารสมบัติเป็นการสร้างบริวารสมบัติคือเราเห็นคนบางคนหรือแม้แต่พระบางองค์เนะี่ยท่านเก่งจริงๆนะฮะที่วัดที่เรานั่งคุยกันวาน่าคนบางคนเนี่ยลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องเลยอาตมาคนึงลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องหาคนดีไม่ก็ได้คนได้ไม่ก็ดีแต่พระบางองค์นี่ลูกศิษย์ดีต้องมีหนึ่งนะฮะมีอยู่หนึ่งองค์ตลอด ยังจะคุณปรมณีท่านมรภาพอย่างน้อยนี่มีหนึ่งคนตลอดชีวิตของท่านท่านดุแรงนะฮะแต่ว่าลูกศิษย์ที่ที่ที่ที่ว่าทําทุกอย่างดูแลอาจารย์อย่างดีพิเศษเนี่ยมีอยู่คนนึงอย่างน้อยนะฮะมีอยู่คนหนึงมีหลายรูปบางบางรูปเนี่ยไม่มีเลยนี่แสดงเราเราเห็นวันนี้คือความแตกต่างในด้านบารมีอดีตเราไม่ได้ทําบุญร่วมกับคนเหล่านี้ เราไม่ได้สงเคราะห์อะไรแต่ไรคนเหล่านี้มานะในชาติปังก่อนเพรงางอันเขาก็ไม่พร้อมจะเสียสละเพื่อเร า, าเรียนว่าคนบางคนเนี่ยมั น, มนสละมาหมดนะนะสละมาหมดเพื่อมาดูแลเพื่อมารับใช้นะกับท่านเหล่านั้นซึ่งก็หมายความอย่างนี้ต้องเรื่ออดีต ด, ด้วยไม่ใช่เรื่องเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันอย่างเดียวไม่ไปแล้วไม่มีกำลังไว้มากพอนี่ก็มาเกิดมาจากการแจกแบ่งเนี่ยเราเองได้ขจัดกิเลสขจัดโลภะ ขจัดมัจริยะขจัดโทสะขจัดโมหะคนที่ได้รับมันเกิดสำนึกขุนก็เป็นเหตุของบริวารสมบัติแล้วก็ผู้ก่สมบัติประการต่อไปก็คือว่ารู้ความประสงค์มหมายความาเข้าใจเจตนารมหรือการกระทาเช่นพระบินดาบาดเนี่ยพระบินดาบัเนี่ยเราก็รู้ว่าพระพระต้องการอาหาร ไม่ได้ขอไม่ได้ขอคือคือชาวบ้านต้องคิดเราเองนักบวชในพุทธศาสนาแม้จะเที่ยวบิณฑบาตเหมือนนักบวชของฮินดูนะฮะแต่เราก็ไม่ได้บอกนักบวชฮินดูไม่ได้คือเสือ้อเสื้อบาตเข้าก้าไปในบ้านเลยนะเสือ้อก็ยืนถืออย่างเงี้ยยืนถืออย่างเงี้ยเหยียดเข้าไปในบ้านนะต้องตักให้แกแต่เราไม่เราก็เดินนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องรู้เอาว่าพระนี่บิณฑบาตแล้วก็มีศรัทธาอะไรแต่อะไรก็ให้เอาก็ตักบาตหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆื่นนะ เรียกว่าไม่ไม่จําเป็นจะต้องขออะไรแต่บางทีขอก็ไม่จําเป็นต้องให้นะฮะก็เวลานี้มีมีปัญหาเยอะก็ประเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะไปพูดที่เชียงรายเป็นที่น่าสังเกตอย่างพรปราโรคกันเมื่อคืนประชุมกันมามันมันคล้ายๆตื่นตัวอะไรนะอามามีรายการอบรมพุทธศาสนากับความมั่นคงความความมั่นคงพุทธศาสนาพุทธศาสนาความมั่นคงเนี่ย หลายจังหวัดแล้วก็หลายเดือนนะฮะต่อกันไปเนี่ยเป็นรายการของราชการซึ่งเราก็มีข้อสังเกตเราเอแปลกทำไมมาเน้นตรงนี้กันมากแล้วก็ดูจะเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องความมั่นคงในช่วงตรงนี้มีคนปลอมบวชแรงมากมากๆ่เพราะงั้นตรงตรงนี้นต้อ ง, งรู้นะบางทีปลอมบวชนะ ไม่ใช่ว่าเราพอเห็นพระแล้วก็แต่ทาบุญถักบาตรกันเรื่อยมันกลายเป็นธุรกิจบางแข่งเนี่รวยรวยกันเลยนะฮะเป็นตั้งหมู่บ้านนะเป็นตั้งหมู่บ้านผู้หญิงก็บวชชีนะผู้ชายก็บวชพระแล้วก็อยังไม่พร้อมจะบวชก็เปลี่ยนกันเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์เป็นเป็นเงินกระบวนการหากินอย่างแรงมากมาพวกนี้ต้องรู้ด้วยนะฮะต้องรู้ด้วย แล้วก็ในที่สุดเนี่ยอัธยาศัยนะั้นชอบสงเคราะห์แต่อย่าลืมอย่าให้เป็นเมตตาตกบอก่อสงเคราะห์แล้วจะต้องสงเคราะห์เขาช่วยตัวเองได้แลวเราเองก็ไม่มีปัญหาคือทาบุญนั้นตัวเองจะต้องไม่เดือดร้อนแล้วมีวาจาหน้าคบเป็นสหายหมายความว่าพูดจาไพเราะสบายหูสบายใจของผู้ฟังก็ปกติสุจริตแล้วก็เน้นไปที่วาจาอ่อนหวาน มัทุระวาจานะฮะวาจาหวานวาจาอ่อนหวานปุพหะวาจาวาจาหอมปุพหะดอกไม้นะฮะแต่ไม่ใช่ภาษาดอกไม้ปัจจุบันภาษาดอกไม้ปัจจุบันมันภาษาการเมืองเป็นภาษาครับครับครับคไปอย่างนั้นเด้งนะฮะเพราะฉนั้นพวกนี้ถ้ารับครับเกินสองครั้งแล้วเลิกครบได้ฮะมันไม่จริงอ่ะแล้วเราก็เจอบ่อยพวกครับงงครับ Disney, ครับครับทีจิตเนี่ยไม่เคยจริงสักทีเนี่ยโก็หกหน้าเฉยแต่เฉยไพวกนี้ วันไ อ, ไอปุพหพานีในแปลปากขอมนะฮะพูดหอมแล้วก็มัทุพานีในพูดหวานมาัทุพน้ําผึ้งนะฮะน้ําผึ้งเป็นกุศลและเจตนาเป็นเมตตาวาจาก็มีพื้นฐานทางเมตตาแล้วก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้นะถ้าคนเรา อ, อยู่ในตรงนี้ท่านท่านจะเห็นว่าจริงๆมันไม่มีอะไรนะคือศรัทธาแต่ น, นั่นเองมีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วนอกนั้นจะต่อนเนื่องมาจากศรัทธาทั้งหมด อย่างทีพระเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์เร็จมันไม่กิ่งก้านสาขาเนะีเชื่อมโยงมาได้ตลอดเลยเนะชื่อมโยงได้ตลอดเลยตรงนี้ที่เราทำอย่างนี้เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่เราไหว้คนนี้นะเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเชื่อความดีของท่านเราให้คนนี้เพราะเราเชื่อได้ฐานเห็นนะฮะมันก็มามันมาตรงเนี้ยมาจากศรัทธามาจากศรัทธาเฉยๆชีวิตอยู่ครองเรือนจึงไปเน้นที่ศรัทธาศรัทธามาก แต่ว่ามีปัญญาด้วยนะฮะไม่ไม่ใช่สถาเฉยเฉยสถาเฉยถูกต้มแย่เลยประการต่อไปพนางก็กรบทุนถามว่าวัยล่วงไปรวดเร็วยิ่งนักขณะก็เช่นนั้นเหมือนกันความตั้งอยู่ยั่งยืนไม่มีสัตว์ทั้งหลายย่อมจุติไปแน่แท้สริระไม่ยั่งยืนย่อมเสื่อมถอยอนี้นี่เป็นเป็นเป็นข้อที่พสกเทวราชเตือน กอย่างที่บอกว่าลดลดลดทองลงไปนะฮะแทนที่จะเพิ่มทองทัานลดทองให้ดูเพราะว่าถือว่าที่จริงก็แก่แล้วนะแก่ลงทุกวันวันละยี่สิสี่ชั่วโมงนะแก่ไม่แก่ก็ต้องแก่นะฮะคือปฏิเสธไม่ได้เมื่อวานไปรถนําศพทิวราชประพิษเจ้าคุณทิวัด น, นั้นก็บอกโยงมอดูดีนี่หกสิบแล้วไม่น่าเชื่อเลยนับผิดหรือเปล่าบอไม่ผิดแต่มันแน่นอนนะะมันมันมันมันก็แก่นะะ ก็ผ่านวันเวลามาเขหกสิบปีมันก็ต้องต้องหกสิบจนได้และนี่ก็คือเรื่องชีวิตท่านบอกว่าวัยล่วงไปรวดเร็วยิ่งนักเป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะขณะก็เช่นนั้นเหมือนกันที่พระเจ้าทรงสแสดงคโนโบมาปจัจคาขณะจะได้ผ่านปุถุต่้งหลายไปเพราะผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเราไม่มีทาง เ, เรียกคืนอะไรได้แล้วมันเอาเราแก่ไปด้วยนะฮะเอาเราแก่ไปด้วยความตั้งอยู่ยั่งยืนไม่มีไม่มีอะไรยั่งยืน สิ่งต่างหลายนั้นจะมันเหมือนกับอะไรอ่ะใบไม้บนไอ้ไรหยดน้ำบนใบบัวถ้าอุปมา ส, สองแนวนะแนวหนึ่งคือแนวชีวิตแนวหนึ่งก็คือแนวสภาพจิตแนวสภาพจิตเป็นการอุปมาจิตของพระอานนท์ว่าอารมณ์โลกไม่สามารถแทรกซึมได้เหมือนหยาิน้ําที่ตกต บ, บนใบบัวแล้วต้องกลิ้งกลับคือไม่สามารถแทรกซึมได้แต่ในขณะเดียวกันอุปมาชีวิตว่าเหมือนกับใบน้ําที่อยู่บนใบบัวนะฮะหยาดน้ําที่อยู่ในสุดมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ตก พูดในแนวกลิงนะฮะพูดในแนวกริ่งกลิ่งไปกลิ่งมามันก็หล่นชีวิตคนจะมีลักษณะอย่างนั้ชายหยดนามได้ชาอุปมาคนละแนวชาอุปมาทุกขษัตรย์กับนิโรธกษัตรย์แล้วในที่สุดนี่ท่านบราวศาตรท์ทั้งหลายย่อมจุติไปแน่แท้คือย่อมตายนะฮะจุจิสรีระเองไม่ยั่งยืนย่อมเสื่อมถอยแล้วเน้นอุทยพัะตราเธออยาประมาจงประพฤติธรรมเถิด พื้นแผ่นดินทั้งหมดแม้เต็มด้วยทรัพย์แล้วก็เป็นของคนคนเดียวนะหมายความว่าราชาองค์เดียวสามารถครอบครอครอบครองปัตตวีทั้งปวงไว้ได้ปัตวีทั้งปวงไว้ได้แล้วไม่มีใครครอบครองถึงอย่างนั้นนะถึงอย่างนั้นถ้าจะตามใจกิเลสเนี่ยคนก็ยังไม่รู้จักพออยู่นั่นเองท่านบอกว่าถึงอย่าถึงกระ น, นั้นผู้ที่ยังไม่ปฏิจากความขนาดก็ต้องทิ้งสมบัติไป ในขณะเดียวกันที่ครอบครองอยู่ก็ยังไม่พอเหมือนพระเจ้ามันดาธาตุราชที่ท่านเล่าไว้ได้สมบัติมากมายกายกองก็ยังไม่พอที่สําคัญว่าทุกคนต้องชิง้งเพราะอะไรเพราะจิตที่ยังไม่ปราศจากขงางขณะนั้นก็คือมีตัณหามีกิเลสเมื่อกิเลสก็ทกาํากรรมทำกรรมรับผลของกรรมมันก็สู่สู่วัฏจักรนะฮะ ส, สู่การหมุนบนในวัฏจกักรก็ต้องหมุนบนไปไปอย่างนี้ในทีนสุดเราก็ต้องชิงไป แล้วทำยังไงก็เป็นสมบัติติดตัวอย่างแนวความคิดที่ทยกตัวอย่างพระหมหาการตปะก็ดีหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์เรานะครที่เป็นสุเม็ดาบุตรถ้าก็คิดอย่างนั้นนะว่าปู่ยาตายายสะสมทรัพย์สมบัติมาตั้งสามชั่วยุคคนแล้วผลสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้ก็ต้องทิ้งไว้แล้วก็เป็นภาระแก่ท่านที่จะต้องดูแลบริหารทรัพย์สมบัติแล้วนั้นก็มีบาปติดตามมาอีกเยอะแยะจากการบริหารทรัพย์สมบัติ อั น, นี่ก็แนวคิดท่านลองแนวคิดพวกบัณฑิตทั้งหลายตรงนี้นะฮะพระเตมีคิดอย่างนั้นพระโพธิสัตว์เองคิดอย่างนั้นสุเมตาบดก็คิดอย่างนั้ น, น, นพระมหาตตปาเองคิดอย่างนั้นพวกรียกคิดอย่างนี้เยอะเลยครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลจะเป็นพระราชาเป็นเจ้าจักรพรรดิจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นมหารามมองทรัพย์สมบัติเป็นตัวปัญหาหมดแล้วก็ทิ้งหมดคิดได้นะฮะ สำหรับท่านที่มีบารมีท่านมีบารมีท่านคิดได้แล้วท่านทําได้เดี๋ยวนี้มันก็อยู่ที่ ท, ที่ที่พื้นฐานบารมีหมายความว่าเราเรียนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่คนยคงจะเอาไม่ทันไม่ได้นะฮะต้องต้องมีสวดบารมีอยู่ด้วยแล้วท่านก็บอกว่าอุทยพัฒราเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติ ธ, ธรรมเธอเน้นสองรำนะฮะอย่าประมาทจงประพฤติ ธ, ธรรมเถิ เป็นคําที่สรุปรวมตัวความประมาทนั้นเป็นยอดของคำทั้งหลายเป็นที่รวมของของของกุศลธรรมทั้งหมดหมายความว่าเราปฏิบัติความดีจะมากหรือน้อยก็ตามนั่นคือเราไม่ประมาทมากหรือร้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง น, นะฮะแต่นั่นคือความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะสุดยอดของความไม่ประมาทคือพระาหันพราหันยิ่งแปลว่าสติสมบูรณ์คนที่สติสมบูรณ์นั้นคือคนไม่ประมาทสมบูรณ์เพราะ ง, งั้นมีสติก็ไม่ประมาทก็คืออันเดียวกัน แล้วก็ทรงแสดงว่าความไม่ประวัติเป็นทางไม่ตายความประวัติเป็นทางความตายอันนี้เราคุ้นๆเนี่ยนะนะเราคุ้นๆกันแล้วท่านก็ไปเชีย่ยเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมานับไปเลยนะมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวภรรยาและสามีพร้อมทั้งทรัพย์เราจะต้องทัดพรากจากคนสัตว์สิ่งเหล่านั้นไปและแม้เขาเองเขาเองก็จะต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปนั้นพูดแบบ ไม่ให้ประมาทแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เมื่อขยับขึ้นไปก็คืออนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราอยู่เจ้ารับสั่งว่าคนต้งหลายบ่นเพ้อกันไฟญาติของเราทรัพย์ของเราพี่น้องของเราอะไรแต่อะไ ร, รของเรายยเยอะแยะไปนานนะฮะในสุดเอาก็จริงมาตัวของเราก็ยังไม่เป็นของเราพูดมันรู้เรื่องชี่ิไหนอะร่างกายเนี่ยดูแลจะใส่มันแทบตายมันจะป่วยมันก็ป่วยมันจะเจ็บมันก็เจ็บ ผูก็ไม่รู้เรื่องเลยมันจะตายมันก็ตายแล้วนะเราบอกว่าปวดปวดมันยิ่งปวดอะ่ะมันไม่เป็นมิตรกับเราเลยเราก็สาดูแลใจใส่มันประคบประงมมันนะยิ่งเป็นแผลยิ่งลูปเบาๆถนนถนนมู้นนเกิดแต่มันยิ่งเจ็บอะ่ะไม่เห็นว่าเอาเรื่องอะไรกับเราสัากอย่างเพราะงาั้นท่านก็บอกว่าแม่เขาเองเนี่ยยังต้องแม่ตัวเรายังไม่เป็นของเราแล้วคนนั้นจะเป็นของเราได้ยังไง นี่ก็ตรงกันที่เคยยกตัวอย่างมานางปต a จรลาเทรีนะที่ท่านบอกว่าคนแต่ละคนมันมาด้วยกรรมของเขาอยู่ด้วยกรรมของเขาจับไปด้วยกรรมของเขาเราพบกันระหว่างทางเฉยๆพบกันเพื่ออะไรเพื่อพลากจากกันไม่ใช่พบกันเพื่ออยู่ร่วมตลอดไปพบกันเพื่อพลากจากกันนะเพราะถ้าไม่พบกันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องพลากจากกัน การพลากจากการเป็นเหตุให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่มีอะไรอยู่ร่วมกันตลอดไปชา้าที่สุดน่ยคือจากการด้วยความตายแต่ถ้าเชื่อมต่อได้นะเชื่อมต่อโดยการเสริมสร้างศรัทธาศีลจากกะปัญญ า, า, า, าอย่างที่ว่านะฮะก็แต่ว่าก็ไปพบกันในชาติหน้าอย่างที่สองสองงค์ท่านท่านตั้งความปรารถนาแล้วท่านบอกว่าอุทยัยพัะเจ้าเอ๋ยเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติ ธ, ธรรมเถิด เด่นนะฮะจงหยาบประมาจงพุทธธ ร, รเถิดจงหยาบี่ครั้งนะเน้นตรงนี้ยจงหยาจงหยาบประมาจงพุทธรรเธเถิดก็เหมือนพระพุทธเจ้าเองมาสอนสอนสี่สิาปีก็สรุปสรุปสองทัณฑะนะนะอามานันทยามิโวภิกเเวรวยธรรมาสังขาราดก่อนพิสูจน์ต่งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารตั้งหลายเป็นของไม่เชี่ยงอภมา เ, า, าเดรสัมพานธตะเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด ก็จบละก็อยู่ที่ไม่ประมาทนะฮะสอนมาสี่สิบ้าปีมาสรุปเสือสองมัทัดแต่นั้นเองสองมัทัดคืออะไรต่านสังเกตนะฮะสองมทัดบรรทัดแรกคือทุกข์สัตย์เป็นสภาวะของชีวิตซึ่งมันเป็นผลทุนที่สองเป็เป็นมรรคสัตว์เห็นไหมฮะไม่ประมาทเนี่ยเป็นมรรคสัตว์หมายความเมื่อเราปฏิบัติตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรตัวนั้นทังขานทั้งหลายที่มันเกิดขึด้นแล้วมันเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เพราะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างในโรคแสัตว์ขึ้นมันจะทำลายตัวสมุทรยศัสตร์แล้วก็ทำลายทุกสัตว์แล้วก็ส่งสรุปไปเท่านั้นตรงกันทุกข้อนะฮะตรงกันทุกข้อตามที่ส่งแสดงแต่ว่าตอนนี้ท่านพูดระดับสังสารวัตรเธอพึงเศราพร่า ง, รรงกายเป็นอาหารของสัตว์อื่น เขาว่านะะทางแพทย์เขาว่าว่าเรากินอาหารเข้าไปในส่วนหนึ่งจํานวนมหมาสานในตัวพยาธิมันกินนเองตัวพยาธิข้างในตัวเราเราต้องหาเลี้ยงสัตว์ในท้องเรามหมาสานอย่างข้างนอกอีกข้างในอีกนะอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้ก็แย่งกินเยอะแยะไปหมดแต่ตีบํารุงเลี้ยงร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะ ท, ที่เป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาก็อีกส่วนหนึ่งพึงทราบว่าสุกติทุกติในสงสารเป็นทิพักพิงชั่วคราว เห็นไหมฮขยับขึ้นไปแล้วจ ะ, จะเน้นบรรณิพานแล้วแม้แต่สุคติแม้แต่สุค ต, ต, ติเป็นที่อาศัยชั่วคราวแบบโรงแรมเนี่ยที่ว่าเนี่ยฮะเหมือนกับโรงแรมที่เรา อ, อาศัยชั่วคราวเธอจงอย่าประมาทจงพิถีพิถันเถิดเน้นตรงนี้นะอย่าประมาทเป็นสี่ครั้งเน้นๆตรงนี้สี่ครั้งพระนางอุไทยพัตราเมือ่อได้รับทราบเช่นนั้นท่านบอกว่าเทพบุตรช่างพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ตั้งหลายน้อยนะักสังเกต น, นะฮะ พูดเรื่องร่างกายตีราคาลดลงนะฮะน่าโกรธนะเป น, นึกออกไหม ท, ที่นางมาคันธยาที่โกรธหลวงพุทธเจ้าอธิบายความปฏิกรูร่างกายโกรธหลวพุทธเจ้าพยาบามตรจ้างคนดา่าหลวพุทธเจ้าที่เมืองโกสัมพีเห็นไหมฮะพื้นฐานมันมีเปลนต่างกันอันนี้พูดถึงความเสื่อมร่างกายโกรธชอบใจมากแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันกล้กับความแตกตับจึงสละราชสมบัติ ออกพนวดเป็นตาบสินีอยู่ในอุทยานนะฮะแล้วก็มอบราชสมบัติให้แก่อมาต์ดูแลกกันแต่นอนในตอนตาก็ทรงสรุปว่าจุจุร ะ, ระเอไม่ใช่อุทัยพัตราก็คือพระนางพิมพารฤยาสุธราส่วนทัศสกะหรือพระเจ้าไทยพัฒนนะฮะก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องของการเพิ่มพูนบา ร, รมีแล้วก็เป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญความดี สำหรับบุคคลทั้งหลายวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพ็นทงท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูชในธรรมจงมีแท่านสายชุนงหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ